สมาทานเดินจงกรมว่าตามจังกัมมนังอธิธามข้าพเจ้าอธิษฐานเดินจงกรมเพื่อให้เห็นรูปนาเป็นอนิจจัง เป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อให้เห็นแจ้งซึ่งมักผลนิพพานเทินสาธุ สาธุสาธุอนุทามีอทิฐานเดินจงกรมคำว่าเดินจงกรมหมายความว่าเดินกลับไปกลับมาด้วยการสร้างสติคือตัวระลึกรู้ อยู่กับการเดินเสมอเท้าขวาเข้าไปให้ระลึกรู้ที่ใจว่าพูดเท้าซ้ายเข้าไปให้ระลึกรู้ที่ใจว่าโธพูดโธพูดโท ก้าวไปรู้ไปธรรมชาติของจิตธรรมชาติของใจในเมื่อเราน้อมนำไประลึกรู้อยู่กับการเดินจงกรมบ่อยๆนานๆแบบต่อเนื่องจิตใจตรงนี้จะค่อยซึมซับแนบสนิทนิ่งสงบเยน็น ถึงที่สุดยางทุกได้ช่วงขณะจิตหนึ่งก็ยังดีฉะนั้นข้าพระเจ้าเอาขอชี้แนะไว้แต่เพียงจุดนี้ส่วนหน้าที่อของท่านจะพึงตามระลึกรู้เอาเองรักษาอารมณ์สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ได้นะบัดนี้เตรียมตัวกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งแล้วออกไปฝึกสติด้วยการเดินจงกรมสืบต่อไปอัญชิีวันทาอภิวาทกราบพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขึ้น อัญเชิญวันทาอภิวาสกราบ พ, พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าคืออัญเชิญวันทาอภิวาสกราบประสงค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าคือน้นอมศีรษะไว้เล็กน้อยสาธุ พอสมควรแก่เวลาให้หยับขยายคลายจากการกำหนดได้แล้วเจ้าข้า